ท่านสาธุชนพุทบริษรัทั้งหลายสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบสี่ก็ยังข อ, อนําเอาความระพฤติเจริยาของมัสโซดาบันมาพูดกำบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตามเวลาที่จำหน่อยถือว่าเป็นตัวอย่างสําหรับความระพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของมัสโซดาบันก็ดีเป็นอย่างนี้ ในเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางวิางสาวสาวมาวดีก็แล้วกันจะเอาเรื่องผู้วิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสาวมาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนํามาเป็นตัวอย่างพ่านางสาวมาวดีพร้อมในหญิงห้าร้อย ฟังเทศจากนางโคจุตระาซึ่งเป็นท่านรับใช้ซึ่งโคจุตระาเป็นฟังเทศมาจากสนัาโคผูธเจ้าเรากลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบตั้งห้าร้อยคนก็เป็นเบโซดาบันทันทีเพื่อคนเทศเป็นเบโซดาบันโคจุตระานี่พระพุทธเจา้าทรงยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากดั้นมาไม่อยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจ้าเทียนพระราชาสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคําแนะนําของกุตุตระช่องเล็กๆแล้วก็ทําหิ่งไว้ข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอรหันต์เดินไปบรรดาบาดบานบ้านธรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็ออกดอกไม้มาวางบนหิ่งเพื่อมองตามช่องน้อยๆพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระ พระพอารียสง่งนี่เป็นญจียรตอนหนึ่งของมรโสดาบันฉะนั้นท่านนี่เป็นมระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจา้าคือพระพุทธรูปกด็ดีที่เขาปั้นโดยปูนเขาทำโดยโลหะเขาปั้นโดยดินหรือว่าเขาปั้นโดยฟางก็ตามแลอวเขียนที่กระดานก็ตาม ถ้าเห็นเข้าแล้วอดมีใจเริ่มใสไม่ได้อดยกมือไหวไม่ได้แล้วก็ไหวแบบไม่อายคนฉันด้วยใครเขาจะไวหวือไม่ไหวก็ตามฉันจะไหวของฉันเ <c oughs> ไหวได้วยความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ <c oughs> อันนี้ตอนหนึ่งเห็นว่าท่านนี้เป็นปะโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริง การมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้า ก, ก็มาที่มีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเจนว่าพระโสดาบันไม่มีแต่สินห้ามีกรรมสิบเข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับสินห้าเนบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธ บันเทาอมากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายคาว่เาเปรียบเทียบกับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบทสิบตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคณนะเขาว่านางสา ม, มาวดีด้วยกันทั้งหมดห้าร้อยกับหนึ่งคนคือมีบริวารนะห้าร้อย แต่ท่านสามาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยกําเน่งคนผูกนางมังคติมังมาคณิยากล่าวโทษอย่างหนักเจ้าทั้งเอางูเข้าไปใส่ในปิงเข้าไปเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องข้านางสามาวดีนาง ม, มาคณิยาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอ คณะบนาสา ม, มาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในผินอุดรูของผินอุดช่องอุดช่องของินออกมาเจ้า ง, งูเข้าไป อ, อ, ก อ, อกุทาน ห, หลายวันมันก็มีความเลียมันอยากจะออกมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านในห้องของนางสา ม, มาวดีนางมาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสา ม, มาวดี คิดจข้าพระเจ้าเทนด่าพระนางสาว ม, มาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนเป็นคโง่เง่าเตาตุตนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าเจา่ๆแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้กับ น, นางพระสามพระนางสา ม, มาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทนก็ไม่ยอมเชื่อ มาในตอนนี้ชักใจเห็นจริงกับพนามาคันดียา <c oughs> เห็นงูข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกเขาถอดเขียวแล้วเขี้ยวที่มีน้ำพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ว่าถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขียวเห็นเข้าก็แผลแบบเบีย้ยทำท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจ ตามที่บรรนางมาคันธยามาคันธยาว่าว่าพระนางสามมาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาขอน้ดเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดมหลังจากนั้นก็หาทางแ่าพระเจ้าอเทนเอาองูขมกัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขอเอาบสนเข้าโดนใจ ก็สามารถจะทำทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลโดนใจและเทวดาบันดาญก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงเกดพรพนานสามาวดีจัดคิดว่าพนานสามาวดีกับหญิงคนใช้ห้าร้อยคิดจะข่าโปงแน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรง หันหน้าไปทาพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิยงร้อยอกทุกบคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากแล้วก็ก็มีต้องถือว่ามีริสมาธกกนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิยงได้แน่นอนห้าร้อยกว่าหนึ่งคนเขายิงธนูแน่เมืเ่อพนางสามาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิยงเข้าแถว แล้วพ น, นังก็ยินหน้าเมื่อบอกพระเจ้าอเทศนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อน <c oughs> ขอให้มอมฉันได้มีโอกาสให้โอวัญจะบุคคลของฉันก่อนพ น, นางสามาวดีไม่แสดงความโกรธน้ำพระเจ้าเท็นเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธน้ำมันน้ำในพนามาคทียา ด, ด้วย <c oughs> ให้โอวัญจะบรรดาหญิงทั้งหลาย ว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาและก็จงอยา่าโกรธท่านนางมาคันดียาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ก็ดีแต่พระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับนักถีเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมดห้าร้อยกําเน็งคน เราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย <c oughs> ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดฟองอย่างนี้ผู้เธอจึองหลายจงยหวัดวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎข้องกรรมในการก่อน ที่ย้อนหมายผลจึงทาให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอศิส่วนนั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรมรมและพระอริสุงอภิยสุ์และจงอย่ากโกรธพระราชาให้อาภัยกับเราในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่ากโกรธพระนามาคามยา ที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตำนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยังในการให้อภัยทุกคนบพร้อมแล้วเจ้าค่าทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไตั้งใจทรงสินให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วเจ้าค่าเมื่อทุกคนพร้อม นางสามารดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าเทน ล, ลั่นสอนออกไปได้สอนลนัตถโนก็ได้ น, นี่ได้ทั้งสองอย่างพระเจ้าเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกก้นนางสาวมาวดีและต้องการให้จลุทุกคนห้าร้อยกับหน่งคนแต่ก็เป็นการมังอเอินอย่างยิ่งต้องใช้ศัพท์ว่ามาังเอิญ ถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกก็ปไปรามาพ ร, ระพุทธเจ้าเขาใช้ศัพท์ว่าบางเอื่อก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบางเอื่อก็ใช้ศัพท์ว่าอํานาจเดชะบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึงก็ทําในพระอาริยสงฆ์ด้วยช่วยบรรดาเทวาดาหรือพรมบรรดานี้เป็นไปตามนั้น เรื่อว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นเรื่อนัดเมตตาบารมีของหญิงห้าร้อยกําเนิดคนมีบรรณาสามาพอดีเป็นประธานพรเวลานั้นตัวเองกําลังจะตายแล้วก็จะตายอย่ า, ายยงไม่มีความผิดต่จิตของบรรณาสามาพอดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งไมใช้ปัญญาในการพิจรารณาเชื่อคุณเลวสามอย่างนั้น แล้วก็ไม่โกรธพนางว่าคันดยายด้วยพี่แกล้งแกล้งกับพนังแถมให้อภัยต่างคนต่างทําให้กันยังมีโอกาสให้ อ, อว่ายคำบรรดาบริษัทกองพนางท่านบอกว่าเรื่องดา้าเนเบตาบรมีต้องว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่นควรจะเถียงบาลีอาจจะมาใช้สาร์ บ, รบางเออในตอนตอน้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลัง แต่ใ น, นเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางเขาตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทมปล่อยลูกศรนวางยัให้รอย อ, อกคขาปัก อ, อกบนนางสามมาวดีก่อนแล้วก็ทะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้ อ, อกเขมามันางสามมาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกลบกลับจะล่ออกพระเจ้าเทมก็ให้ เกือบจะแทง อ, อกก็พระเจ้าเทนแต่ไปทันจะแทงหล่นลองอตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระมารีท่านบอกว่าพระเจะ้าเทนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนนี้เป็นพระราชาเนี่ยเขาสั่งสมบรารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ ต้องเคยบำเพ็ญพรมจรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรหมต้องเคยบำเพ็ญบำเพ็ญพรมจรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรหมได้เนีคนนี่จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญพรมจรัญแบบโอกลิตมาแล้วจะไปนิพพานได้เนี่ยคนที่จะเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรก ต้องมาเจาาสวรรค์หรือพุทโลกงัานฉะนั้นบุคคลที่เป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบรารมีด้านพรทธจันทร์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบรารมีขนาดนี้ที่ยังโง่เง่าเาต่า ต, อตอนนั้นหาย า, ยากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทเทวีสอนให้เข้ามาปักโอกโค ยิงไปแล้วตามธรรมดาศอนต้องไปข้างหน้าในความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่ห้าร้อยกับหนึ่งองค์นีไม่สามารถจะต้านทานไว้ทะลุแน่โดยคราวนี้ไม่ถึงอกมนาสามอาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวโค ก, กลับจะเล็ดอกค์ยังมีความรู้สึกว่าแม่แต่ลูกสอนซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ก็ย <c oughs> uh er ังรู้คุณความดีของนางสาอาวดีกับหญิงรับใช้ห้าร้อยคนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแต่แท้กับมีความโง่เง่าเตาตุนไปเยื่อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอันธภัณมีสันดานหยาบหาทางการแกล้งนางสามมวดี พอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกสอนทันทิ้งสอนทันทีทิ้งขันสอนทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบพิธาบรรณาสามาภวีเพื่อขออภยัยนีคนที่มีความดีมีบารมีจะถึงขนาดนี้นะเจนนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่าม่ได้กราบเมียของท่านให้นกราบความดีของเมีย ท่นยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียในดีพ่ออะไรเขากราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพ น, นางสามาวดีแท่นก็นแสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์เขาไว้เจ้าเทนห้ามไม่กราบห้ามไม่ขออาภายัยเจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอฉันเรื่องขออาภัยเธอ ถ้าเธอไม่ห้าภัยฉันฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสา ม, มาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปเวทาขออภัยเด้ยวยโทษกับวิดาของข้าพเจ้าเขาหม่อมฉันเยาวเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสา ม, มาวดีก็าตายไปนานแล้วก็ถามเมื่อพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ ถาว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสัปนะโคดงคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระเจ้าเท่งก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้หมน์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้ามาฉันปัตฐ า, ารในพระราชนิเวศได้เป็นอนว่าพระเจ้าเท่งก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอนุว่า พระโสดาบันไม่ใช่มีแต่สินห้าเพราะการบรรเทาความโลภ ก, ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลง ก, ก็ดีอยู่ในกรรมบทสิบจนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบทสิบด้วยนี่เป็นชี้เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของพระโสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบัน เป็นสิงข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบก็บวกกันนะเรียกว่าเป็นสิงข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบบวกกันก็เป็นแล้วมาสิงข้อที่สองกับกำหนดสิบข้อกับกำหนดสิบที่เป็นมโนกรรมข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองไม่ถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบธรรมแต่สิงข้อกำหนดสิบในมโนกรรมข้อที่หนึ่ง ไม่คิดอยากได้ทรยบสมบัติของคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางขวางไม่คิดนั่นคือจากคานุสติกรรมฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีลมอยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้ และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณปร ะ, ประโยชน์เห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระอาหารหันต์หลายเข้ามาฉันในพระราชนเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการจะเสด็จมาทุกวันก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าสรงเปิดคนทุกคนให้พระนานสามเมวีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจํา พนังสา ม, มาพอดีก็ขอพรพระเจ้าอเทีนพระเจ้าเทีนอนอญาติเจองได้ดีมนพระอนนเข้ามาประจำเมื่อพระอนนเข้ามาแล้วเทสโรปรดพระเจ้าเทนไป้จะทานผ้าสาดกกับพนางสา ม, มาพอดีกับคณะคนละเผืนัน่งเผืมีอยู่แล้วว่าเทศจบทุกนางห้าร้อยตำแหน่งคนถวายหมดเลยการอนก็รับไป วันหลังก็พระเจ้าเทเห็นผ้าหายไปเขาให้คนสองผืนต่อมาพระนนชั้นเสร็จกล่าวโมูธนาก็ถวายมอติถวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าทั้งหลายพืนหลายหมื่นพืนไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเย็นว่าหลวงคมาโสดาบันมีทั้งศินห้าและกำหมดสิบพร้อมในการส่งเคราะห์พร้อมในการให้ ถ้าเห็นว่าการให้นั่นเป็นบนเป็นกุศลเรียบรรดาธรรพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูดให้หมดตัวกวารจริงการให้เขาว่าโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทจริงหมดตัวเอาแค่พอดีพอคนต่อมาก็กล่าวทั้งสิ้ข้อที่สามมุสาวาตนะตลอดกาลไม่สมัยช้าายมันต้องพูดกัน ไม่มีตัวอย่างในเบโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล่้ำระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงจะ ป, ปล่ำเดี๋ผู้หญิงปล่้ำระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่ผ้า ร, รานมาสิงข้อที่สามกับสิงข้อที่สองบวกกันแล้วก็คุณมีแล้วก็สิงข้อที่สี่บวกกัน แต่ว่าที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ที่สี่บวกกันได้แก่นางคูจุติรานางคูจุติรานี่เป็นขโมยตอนลำหนึ่งขโมยเงินเขาแม่ น, นางสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทีนพระเจ้าทายค่าดอกไม้กับ น, นางสาวมาวดีวัน ล, ละแปดตำลึงหาสาวลีเรียกไปก็หาปะนะัญะ เวลานั้นก็อาบัะหนึ่งเท่ากับสี่บาทถ้าเวลานี้อย่าเทียบก็เงินหลายพันเกินแปดพันบาทเจพาพ่อ่าดอกไม้แต่ว่านางกุจราจากการยื้อใช้ก็ถึงไปซื้อดอกไม้นอกวงังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับหวงังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ถังในบอ่อ ย่อมไม่เคยเจอน้ําใสในแม่น้ําทางมันแคบถ้าไม่เจอแว่น้ําน้ําในแม่น้ําเข้าก็จะเกิดความพรื้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับหวังเจ้นั้นต้องใช้นางขุจตระาเทวดาหญิงหลังคมหญิงหลังคมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มี ก็เป็นโ อ, อ ก, กาสของขุตรธธตระขุตตระนี่เป็นหญิงหลังข้องจริงแหละแต่ว่าปัญญามากในกายก่อนที่จะเป็นปรโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ชื่อวันนาสีตำห น, นึงต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มาสีตำหนึง่งนางสามีหรือใครก็ไม่สามาวดีกับหรือใครก็ตามไม่ทราบเลยแต่พอพมืนางขุตตระฟังเทศเจาพระพุทธเจ้าจบ เป็นเบะโสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้งแปดตำลึงแต่ความจริงจำจะใเฉยๆก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปได้แล้วก็ได้เท่านั้นตามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่า ม, มันเหมือนกับตรงเขาถามว่าปีนน้พระราชา ในเมื่อพระ น, นานสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือเค้ก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะแจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจริงๆมากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม่ใคยจับได้พกว่าจะจับได้กน็นานแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปด จะตัดจะินาทานไปข้อแล้วไปผสมดามันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมยเขาแสดงตัดข้ออทินาทานไปข้อเห็ น, น, น, นได้ไชัดหลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นสิงข้อที่สี่นายยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันได้เงินเท่านี้คือไปกับอาภรณะแปลว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแล้วรู้สึกว่าการกขโมยเป็นเป็นบาป จึงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียรไม่กันนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนบาเก่าหมดปไปเลยไอ้ที่แล้ ว, ลวมาฉันก็ให้อภยัยต่อไปเธอกันไปสิกับอาวะะก็ได้เพราะซื้อมาแค่สิกับอาวนะะมันก็พอแล้วเหลือใช้สิแต่นางบางกูจุตราชก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะพระพเจ้าห้าม นเจะเห็นว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิ่งข้อดีสองข้อดีสามข้อดีสี่ครบทุนเรื่องการเด่มสุราเเมรัยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องขุดกันเกรงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของมนโสดาบันจริงๆมีสินห้าบริสุทธิ์ด้วยเคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วย มีกมุสิกเข้าแทรกแซงด้วยมีชีวิตไม่ลืมความตายโดยช่วยนึกถึงในการทําความดีไว้เสมอถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนอเยอะแยะที่เป็นปะโสดาบันปฏิบัติกันกล่าวความมาแค่นี้ก็ขอบรรดาเทพุทธบริษัททุกท่านเมื่อสู้แล้ววิไลหนึ่งนาทีก็ขเขาบอกว่าปะโสดาบันจริงๆขึ้นหนึ่ง มีความเห็นถูกตามคำแนะนำขององค์สั่งพระธรรมคำสั่งสอนก็สมเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจ้าว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกรรมบกติบริสุทธิ์ บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงพอสมคนรไม่เท่าพระสีธาคามีเมื่อมองดูเวลาเดือนครึ่งนาทีสําหรับตอนที่ยีิบสีนี้ก็ขอยุติเพีแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรนดาเต็มพุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี